สิกขาบทที่9ภิกพิณีไม่ติดตามปวัตินีผู้บวชให้ตลอดสองปีต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตี